ย่าวยูมาจากที่ไหนกันบ้างอ่ะอยู่พัทยาอยู่พัทยาหวยใหญ่ขึ้นมาขั้นแรกอั้นแรกน้ำมากับน้องเออน้องเขาแนะนํามาเลยพามาชวนน้ำเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้วใหญ่เหมือนกันนะอยู่พัทยาเอออือเรานู้จักที่นี่ได้ยังไงเคยมาทำบุญข้างล่ากค่ะใสบาร ก็แนะนำขึ้นมาเลยปกติเราเคยมาอยู่ที่นี่แหละเออขึ้นมาันอก่แนะนคนอื่นมาด้วยค่ะแล้ววันนี้อยากจะฟังอะไรแตตฟังก็ฟังเรื่องของเราเราไม่รู้จักตัวเรา พุทธเจ้าจึงต้องเป็นมว่นกระจกสองให้เราเห็นตัวเราอันนี้เราไม่เห็นตัวเราเราไปเห็นคนอื่นว่าเป็นตัวเราเห็นร่างกายนี่มันเป็นคนอื่นมันไม่ใช่เป็นเราแต่เราไปเห็นว่าเป็นเราใช่ไหมเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราหรือเปล่าเป็นตัวเราหรือเปล่า เราเป็นไขนะ่ะถ้าไม่ให้ตัวเราเป็นไข่อ่าไข่เป็นไข่ท่ามาอาศัยอยู่อเป็นเงินบ้านนะอ่าขอให้มองอย่างนั้น่ะถูกแนละ้วมองว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นคนรับใช้เราไม่มีร่างกายเราเลยต้องใช้ร่างกายเพราะเราอยากหาความสุข ทางสิ่งจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เราต้องใช้ตาหูจมูนกนิ้วมือถึงจะเห็นได้ถึงจะได้ยินถึงจะได้ดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสเพราะว่าตัวเราเองนี้มันไม่มีรูปร่างตัวเราคือใจนี่คือผู้คิดผู้รู้นี่คือเรา ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่ร่างกายคนละคนกันคนสั่งกับคนรับใช้ร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายเอาขยับเข้ามานะผลเขาเชิญเข้ามาลนะ ถ้าเราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเราก็จะไม่สบายใจเพราะเดี๋ยวร่างกายก็ต้องเป็นอะไรเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ปวดเดี๋ยวก็ต้องตายไปเวลาเราคิดถึงร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรารู้สึกยังไรู้สึกดีใจรู้เสียใจรู้สึกเฉยๆเรา รับกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แรือเปล่าถ้ามันเจ็บได้ไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเรงก็ไม่เป็นไรอาอพยายามรับได้ก็สบายไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมรับก็จะทุกข์พราจะอยากอยากไม่ให้มันเป็นอยากให้มันอยู่ อยากไม่ให้มันเป็นมะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ถ้าเป็นโลกก็อยากจะให้มันรักษาให้หายเพื่อจะได้อยู่ต่อไปแต่้าอยู่ไปถึงไหนกันมีใครอยู่เกินน้อยกันบ้าใช่มั้ย เราสามารถแยกตัวเราออกจากร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เรากับร่างกายเป็นเหมือนฝาแฝดแฝดสยามเห็นไหมไปเแฝดสยามเนี่ยที่ไปไหนต้องไปด้วยกันในชะ่ไหมแยกกันไม่ได้ก็มาติดกันนี่เราต้องมาผ่าตัดนะฮะผ่าใจออกจากร่างกายแยก แยกตัวเราออกจากร่างกายถ้าเราแยกตัวเราออกจากร่างกายได้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย dela. เราถอยออกห่างได้เช่นถ้าร่างกายจะตายเราก็ถอยออกห่างไปปล่อยร่างกายตายไปเราไม่ต้องไปตายกับร่างกายไม่ต้องไปเจ็บกับร่างกายไม่ต้องไปแก่กับร่างกาย แต่ถ้าเราแยกใจแยกตัวเราออกจากร่างกายไม่ได้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเป็นไปกับร่างกายเวลาร่างกายแกเราก็จะรู้สึกว่าเราแก่เวลาร่างกายเจ็บเราก็จะรู้สึกว่าเราเจ็บเวลาร่างกายตายเราก็จะรู้สึกว่าเราตายแต่ความจริงเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตาย นี่คือปัญหาของพวกเราคือยังติดอยู่กับร่างกายยึดติดอยู่กับร่างกายเราเลยต้องทุกไปกับร่างกายถ้าเราแยกออกจากร่างกายได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นนี่เขาเป็นอะไรเราไม่ทุกกับเขาใช่ไหม ร่างกายคนหนึ่แกคนอื่งเจ็บคนหน่งตายเนี่ยเราจะเฉยๆเพราะเราไม่รู้จักเขาเราไม่ได้ไปมีความยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่มีความายึดติดกับเขาแต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารู้จักแล้วเรารักเราไปยึดติดกับเขาเขาเป็นอะไรเราก็ไม่สบายใจได้เหมือนกัน เพราะว่าเรามีความอยากให้เขาไม่เป็นอะไรพอเขาเป็นอะไรเราก็ไม่สบายใจความไม่สบายใจของเราเกิดจากความที่เราไปยึดติดกับคนต่างๆนี่พอเราไปยึดติดกับอะไรแล้วเรามักจะอยากให้เขาดีอยากจะให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาเสียไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไป เราเลยไม่สบายใจไปกับเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดเราใกล้ตัวเราสามีภรรยาพ่อแม่บุตรธี่ดาทั้งนั้นล้ว เ, เขาก็ไม่ใช่เป็นตัวเราแต่เราก็ยังไปทุกข์กับเขาได้นะั่นเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาดีอยากให้เขาสบายอยากให้เขามีความสุข อย่างให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราไปเปลี่ยนแปงได้ไหรือเปล่าถ้าเรายอมรับความจริงว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาต้องเป็นอะไรไปทุกอย่างหนึ่งวันใดวันหนึ่งถ้าเรายอมรับเราก็จะเฉยๆเหมือนเรายอมรับฝนตกเนี่ เวลาฝนตกนี่เราเดือดร้อนไหมตกก็ปล่อยก็ตกไปแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกไม่มีที่มุงบังนี่เราอาจจะเดือดร้อนเพราะเราจะอยากจะไม่ให้ฝนตกแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการอาบน้ํามันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเวลาเราอาบน้ำก็มีฝนตกใช่ไหมเ ป, ปิดปากบัวอย่างนะี้แต่เวลาฝนตก เวลาอาบน้ำเปิดฝัก บ, บวัวทำไมเราไม่เดือดร้อนแต่เวลาที่เราไม่มีร่มกลางแลวฝนตกเราทำไม้เดือดร้อนเพราะเราไม่อยากเปียกใช่มแต่แต่ถ้าเราอยากเปียกนี่ก็ไม่เดือดร้อนทำไมเด็กๆนี่เวลาฝนตกนี่เราชอบออกมาเล่นน้าฝนสนุกกันด้วยดั mm hmm. นั้นความไม่สบายใจ ของพวกเราอยู่ที่ความอยากของพวกเราเองถ้าอยากไม่อยากได้อะไรแล้วได้มาก็ไม่สบายใจรือว่าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ไม่สบายใจแล้วเราต้องมาแก้ปัญหาของเราอยู่คือเราต้องหยุดความอยากของเราอยากไปอยากกับเสียงต่างๆเพราะถ้าเราอยากแล้วเราจะไม่สบาย แต่างตอนนี้อยากให้ฝนหยุดก็จะไม่สบายใจเสียงดังเนี่ยตอตกเสียงดังคุยกันไม่รู้เรื่องอยากให้ฝนหยุดวิธีที่ทําให้เราสบายใจก็คือถ้าเสียงดังคุยกันไม่รู้เรื่องถ้านั่งนั่งเฉยๆไปมานั่งสมาธิกัน่าเวลาฝนตงนี้เราจะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่เพราะมันคุยกันแล้วไม่ได้ไม่ฟังไม่รู้เรื่อง เราก็เรานั่งเฉยๆเลานั่งสมาธิถ้าเรานั่งเฉยๆได้เราก็สบายถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้เราอยากจะลุกไปทำนี่ทํานี่เราก็จะไม่สบายจมันอยู่ที่ว่าเราควบคุมความอยากของเราได้หรือเปล่าถ้าเราควบคุมความอยากของเราได้เราก็จะสบายใจถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่สบายใจ ดังนันเราต้องมาหัดควบคุมความอยากของเราวิธีควบคุมความอยากก็ให้เราหยุดความคิดเพราะความคิดทั้งที่เราอยากขึ้นมาถ้าเราไม่คิดมันอยากไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงผลเราก็จะไม่มีความอยากให้ผลตกผลหยุดแต่พอเราคิดถึงผล่คิดถึงเสียงดังเราก็อยากจะให้มันหยุดอยากจะให้มันเงียบ มันถ้าเราไม่ได้คิดถึงผลคิดถึงเสียงเราพูดโธรพูดโทรพูดโทรไปมันก็จะไม่มีความอยากให้ฝนยังอยู่มันก็จะมันก็จะอยู่เฉยๆกับฝนได้ขอให้ผลตก ไ, ได้ตอนนี้เราลองมาหยุดความคิดกันหน่อยดนะูนหมใช้พุดโทรหยุดให้ท่องพุดโธพุดโธไป หรือว่าให้ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าให้ไปคิดอะไรดูว่าลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อย่างนี้ไปถ้เาเดี๋ยวฝนหยุดแล้วพั้ยกันหน่อยลองนั่งสมาธิกันอยู่กว่านะถ้าเสียงมันดังพูดแล้วมันเหนื่อยฉออกเสียงดังลองมาหยุดลองมานั่งเฉยๆพักๆเหนื่อยก่อน แล้วเดี๋ยวฝนหยุดฝนหยุดแล้วเราค่อย ม, มาคยกันต่อตอนนี้มาหยุดความคิดหยุดความอยา ก, กันจะใช้พุโทโธก็ได้ให้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่อย่าไปคิดถึงอะไรอย่าไปคิดถึงผงอย่าไปคิดถึงอะไรถ้าเราจะสมายใจหรือถ้าไม่ไม่ใช้พุโทโธก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไก็ได้ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า โดนหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้อยู่แค่นี้ยื้อยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ที่หน้าท้องกันละถ้าเข้าถ้าดูที่หน้าท้องก็เวลาหายใจเข้ามันก็พองเวลาหายใจออกหายใจออกมันจะยุบเราก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอถ้าดูที่ปลายจมูกก็รู้ว่าเข้าหนอออกหนอ่อลองลองหยุดความที่สักพักหนึ่งลองนั่งเฉยเดู ถ้าเราไม่คิดแล้วจะไม่มีความอยากถ้าเราจะนั่งได้แต่ถ้าเราไม่คิดถ้าเราคิดเดี๋ยวก็อยากจะลุกอยากให้หลุดอยากจะไปทำอะไรมันก็จะไม่สบายจังจะทำนั่งอยู่ในบได้เห็นตอนนี้ขอให้เรานั่งสมาธิจังๆกัน ตอนนี้ฝนหยุดแล้วพอจะพูดต่อได้เดี๋ยวจะให้พรเลยแต่ใครอยากจะกลับบ้านก็กลับได้เดี๋ยวใครอยากจะอยู่ฟังเทศฟังธรรมต่อก็อยู่ต่อตอนนี้จะอนุโมทนาให้พรให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหหวยเป็นพระราชฎกุศแลแดพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยะถาวาเรวะหาปุราปะเรตุเลนติสักลาภเอวเมวะอิโตินาุเปตานางอุปการปฏิอิช e ิตังปะทิตตังสุมหังคิดเมวะสมิจารุสัพเพปุเรนตุสังคปา จันโทปนะระโสยธานาณิโทติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโควินาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอพิวาทานสีลิสาหิจังุถาปชะยิโน กัตาโรธัมมะวัานติอายุโวโนสุขังอาัลลพยายามหันนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะแล้วใจจะสบายมีความสุดแล้วจะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางที่อยาได้เวลาร่างกายไม่สบายเราก็ปล่อยมันให้ไม่สบายไป เรานั่งสมาธิไปนอนสมาธิไปก็ได้ทำใจให้สงบอย่าไปคิดอะไรแล้วจะมีความสุขร่างกายทุกข์ก็เรื่องของร่างกายไปแต่เราไม่ต้องทุกข์ไปกับร่างกายเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาถ้าเราหยุดคิดได้หยุดอยากได้อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมา ถ้าปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันเป็นไปเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปอยากกัมันเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะสบายเหมือนเมื่อกี้เราปล่อยให้ฝนตกหลังจก็ตกก็ปล่อยมันตกไป เ, เดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะทุกอย่างมีเกิดมีดับมีใจเราตัวเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับ เ, เรานี่ไม่เกิดไม่ดับเรามีอยู่ตลอดเวลา แต่เราไปติดอยู่กับของที่เกิดดับเราก็เลยทุกข์กับมันเวลาเกิดก็ดีใจเวลาดับก็เสียใจแต่ตัวเราเรามากลับไม่อยู่กับเราเราอยู่กับตัวเราแล้วเราจะสบายใจเพราะมันไม่ดับมันจะอยู่กับเราไปตลอดมันต้องดึงใจกลับมาอยู่ที่ใจอย่าอย่าส่งใจไปที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอส่งไปแล้วก็ไปทุกข์กับเขา พอเขาเป็นอะไรก็ทุกข์ไกลเขาเขาเลยเล็งใจกลับเข้ามาที่ตัวเราอยู่ที่ข้างในดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิไปใจเข้าข้างในใจก็ปล่อยของข้างนอกได้ปล่อยคนนั้นปล่อยคนนี้ปล่อยสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนี้ได้เขาจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหากับเราแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ สั่งให้ก็เป็นก็ไม่ได้เลยอย่าไปยุ่มกับเขาดีกว่าอยู่ของเราตามอยู่กับความสงบของเราดีกว่ามีความสุขมากกว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมนั่งเมื่อกี้สงบไหมเรือยังคิดอยู่อพยายามอย่าคิดนะให้ใจมีอะไรโผล่ไว้พูดโธก็ได้ ลมหายใจก็ได้อย่ยามีอะไรควบคุมความคิดให้ได้คิดแล้วมันวุ่นวายส่วนใหญ่เราจะคิดไปในทางวุ่นวายกันคิดแล้วก็อยากให้ได้สิ่งนั้นอยากให้มีสิ่งนี้กันพอไม่ได้ก็เสียใจน้อยใจบางทีก็โกรธอยากให้เขาทำอะไรให้เราแล้วเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธ อยากจะได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจผิดหวังได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็อยากจะได้ใหม่แล้ว น, นความอยากมันไม่ได้พาให้เราไปสู่ความพอหรือความสุขอบพาไปสู่ความอยากเรื่อยๆอยากได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างนั้นต่ออยากได้นู่นแล้วก็อยากจะนู่นต่อเพิ่มไปเรื่อยๆเวลาอยากก็ไม่สบายใจหงุดหยิดลาคาญใจ เรหยุดความอยากหยุดความคิดกันแล้วจะสบายใจยเย็นจะเบาจะไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทอง <c oughs> เพื่อจะมาใช้หามาถ้าเป็นท่าตายเอาไปใช้เดี๋ยวเดียวก็หมดและแต่เดี๋ยวก็ต้องไปหาใหม่หามาท้าไหลได้มาถ้าไหลก็ไม่พอ <c oughs> ก็ยังอยากได้อยู่อย่างนั้น ก็ยังมีความอยากก็ยังไม่มีความอิ่มถ้าไม่มีความอิ่มมันจะสุกได้ยังไงมันก็หิวอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็อิ่มอย่างเมื่อกี้ล้วนั่งสมาธิแล้วมันหยุดความอยากได้มันก็อิ่มใจสุขใจสบายใจพยายามทำบ่อยๆวันหนึง่งเรามีเวลาเยอะแยะอย่าไปนั่งดูทีวีอย่าไปนั่งกินขนมมานั่งสมาธิดีกว่า ่ละความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นของเราไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ความสุขจากแฟนนี่เดี๋ยวคนอน่มมาแย่งแฟนไปเราก็เสียความสุขไปละ <c oughs> แล้วก็ได้ความทุกข์กลับมาคือว่าความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าไม่มีใครมาแย่งไปได้ขมโมยก็มาขามโมยไปไม่ได้ถ้า <c oughs> มีข้าวของมีเงินทองเดี๋ยวขมโมยขึ้นบ้านก็ขนหนึ่ง ความสุขก็หายไปหมดตายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแหละความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินกับเรากลับไม่เอาเงินของฟรีๆไม่เอาอคิดว่าของฟรีไม่ดีใช่ไหมอ่ตามจริงของฟรีเนี่ยเป็นของดีเราชอบของไม่ดีของเสียเงินเน่ยเป็นของไม่ดีได้ามาแล้วก็ทําให้เราทุกข์กันได้มาเราต้องห่วงไหยหวงไนหะมแล้วเวลาจากเราไปเสียใจไนหะ อนั่นแหละไปไปหาของเสียเงินแล้วยังไม่พอต้องมาเสียใจกับของที่เราได้ฉลาดไม่ ง, ง้อะนะยังของดีเนี่ยของฟรีของที่ต้องเสียเงินนี่เรียกว่าของไม่ดีเข้าใจไหมจำไหมอย่าไปเสียเงินซื้อของไม่ดีมาของไม่ดีก็คือทําให้ใจเราไม่สบายทําให้ใจเราวุ่นวาย ของดีๆกับไม่ของฟรีกับไม่เอากันทำให้เราสบายให้เรามีความสุขให้เรามีความอิ่มอย่าเมื่อกี้ น, ะนั่งไปครึ่งชั่วโมงสบายใจสบายอิมไม่ต้องเสียเงินนะาตาบาดเดียวถ้าไปดูหนังก็ต้องเสียค่าผ่านประตูเข้าไปแนละ้วร้อยสองร้อยนี่คือสิ่งที่เราคนพยายามทําให้บ่อยๆทำให้มากๆ เวลาไม่นั่งก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปคอยหยุดความคิดไว้ <S <S <an> <S ถ้าหยุดความคิดได้แล้วเวลานั่งมันสงบเร็วแล้วสงบได้นานนั่งห้านาทีมันก็นิ่งแล้วแล้วก็นั่งไปได้เรื่อยๆ <S <S <an> <S ถ้าไม่มีพุโทโธถ้าไม่พุโทโธมาก่อนเวลานั่งก็ยังคิดนู่นคิดนี่อยู่แ ย, งยง่งกันไปแย่งกันมานดึงเกินไปดึงกันมาพุโทโธบ้างให้นอนไปคิดเรื่องนูน่นคิดเรื่องนี้บ้าง แล้วถ้าบางทีสู้ความคิดไม่ได้ก็นั่งไม่สงบนั่งเดี๋ยวก็เจ็บทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้านั่งแล้วสงบมันจะไม่รู้สึกเจ็บจะนั่งไปได้สบายนั่งไปได้นานนั้นต้องหม่นพุโทโธพุโทโธนะไม่ว่าจะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปเลย ไปทำอะไรก็พุโทโธไปทาไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปอาบน้ําก็ไม่ต้องใช้ความคิดแต่งตัวก็ไม่ต้องใช้ความคิดกินข้าวก็ไม่ต้องใช้ความคิดอย่าไปคิดให้เสียเวลาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปถ้าจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวแล้วพอคิดเสร็จก็กลับมาพุโทโธต่อพอมีเวลาว่างก็อย่าไปเปิดทีวีดูอย่าไปเปิดหนังสือพิมพ์ดู มานั่งสมาธิหลับตานั่งสมาธิดูกละมาดูใจเราดูกละเร่งใจเราเข้าข้างใน <Okay. S 1> มาหยุดความอยากหยุดความโลภความโกรธความหลง <Okay. S 1> แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเ ร, เราไม่ต้องมีเงินทองก็อยู่ได้ <Okay. S 1> น่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอดอยากขาดแคลนก็ไม่เดือดร้อน <Okay. Okay. S 1> อยู่กับมันได้อย่างมากมันก็แค่ตายเอ okay. อยู่ดีกินดีขนาดนัหนมันก็ต้องตายเหมือนกันถึงเวลามันจะตายไม่มีใครมาหยุบกันได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันถ้าเราปล่อยมันถ้าเราอยู่กับความสงบเราอยู่กับพุทโธพุทโธมันจะหิวก็เรื่องของมันร่างกายหิวก็เหมือนคนอื่นหิวคนอื่นหิวเราไปเดือดร้อนแทนเขารืเปล่าถ้าใจเราอิม่มเราไม่ับมันเราไม่เดือดร้อนถ้านั่งสมาธิแล้วใจอิม่ม มันจะไม่เดือดร้อนกับความหิวของร่างกายหิวก็ปล่อยมันหิวได้ไม่ไม่ทรมานใจเพราะใจอิ่มร่างกายหิวต่ใจอิ่มดีกว่าใจหิวแลร่างกายอิ่มเพราะว่าถ้าใจหิวถึงแม้ร่างกายอิ่มก็ยังต้องกินอีกกินจนกระทั่งพองขึ้นมาเนี่ยนเราที่พองกันเพราะว่ามันหิวที่ใจร่างกายมันบอกอิ่มแล้วจะกลายเป็นองแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดกินกง พอใจมันหิวงั้นทำใจให้อิ่มแล้วร่างกายจะผอมร่างกายจะสวยคุ่นจะดีแต่ถ้าใจหิวแล้วร่างกายจะกลายเป็นตุ่มสมัยนี้คนจะเป็นตุ่มกันเยอะแยะแล้วนะเพราะอยู่ดีกินดีแทนที่จะเลี้ยงใจกับไปเลี้ยงร่างกายร่างกายแล้วก็ลายกายเป็นตุ่มไปวิธีเลี้ยงใจก็ต้องนั่งสมาธิกัน นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจใจอิ่มแล้วก็จะไม่หิวทางร่างกายก็จะไม่กินมากเกินไปร่างกายก็จะไม่อ้วนแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีโรคภัยส่วนใหญ่เกิดจากการกินนี่แหละกินมากๆเดี๋ยวความดันก็ขึ้นไขมันก็ขึ้นเบาหวานก็ขึ้นโรคหัวใจก็ตามมา โรคตับโรคไตโรคกระเพาะ อ, อะไรตามมาหมดเพราะกินมากเกินไปงั้นอยอยู่อย่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่กินเท่าที่จำเป็นกินเหมือนกินยาแล้วจะสบายสบายทั้งร่างกายสบายทั้งจิตใจอายุจะยืนยาวนานโรคภัยไม่เบมียดเหียน ถ้าปฏิบัติทำนั่งสมาธิเดินจงกรมเดินจงกรมก็ทําให้ออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงโรคภัยก็ไม่ค่อยมี mm hmm. ก็เดินธรรมดานี่เดินไปไหนมาไหนก็เดินเนี่ยเดินแล้วก็พุทโธพุทโธไปเท่านั้นเองถ้านั่งมันานมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดิน mm hmm. เดินแล้วพอเดินเมื่อยแล้ว ก, กลับมานั่งมา นหรับคนปฏิบัติไม่มีอะไรจะทำก็เดินไง<ม>เดินแก้เมือ่อยพอหายเมือ่อยเรากลับมานั่งต่อนั่งไปจะเมื่อยก็ลุกขึ้นไปเดินใหม่ตอนนี้จะเปิดให้ทางบ้านก็ถามบ้างนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามเลยมีเข้ามาหรือยังมีเข้ามาอันนี้เข้ามากี่คนแล้ว มันรอดก่าวที่สองไปนั่ง ส, ม, งสมาธิ ก, กันบ <c oughs> ้า Making merit, you mean charity. Sharing your wealth with other people. You to do it when you have too much money and you don't know what to do with it. Then you give it to charity. Don't spend it on your desire, on your craving. That's the purpose of charity: to get rid of the money that you don't need and. And prevent you from using the money in the wrong way. You use the money to to to satisfy your craving. Then you start like buying buying drugs. You will be addicted in spending this way, in spending money this way. So you you don't want to spend money in that way. If you have lots of money and you don't know what to do with it, just give it to charity, so that you won't have to worry about it. And by giving to charity, it also makes you feel good, and it also makes you have compassion for other human beings, and it will make it easy for you to keep the precept, and it will free you to go and meditate. So the purpose of charity is to get yourself uh, away from the money business, you know. Making money and spending money, so you can have the time to go meditate. So this is the purpose of charity. And you can do it whichever way you want, however you want it. Maybe it depends on the situation. If you happen to be around w t h there are needy people who need your help, then you help them. If they need clothing, they need medicine, you you give them the the thing that they need. If they already have plenty, then don't, don't don't have to do anything. But if your purpose is to meditate, when you meditate, then you s u s t a i n your charity work because it can disturb your your practice. So when you want to go intensive practice, then forget about charity until after you come out of your intensive, and you feel like doing charity, then you can do it. But if you want to do it in a in a way that will free you from from doing charity all the time, it, give it all at one time. <laughs> then then you you don't have to do any more charity. Then you have all the time to do your practice. So that's that's the the purpose of charity is to make good use of your money, both for the benefit of other people and yourself. You you gain peace of mind and contentment, and a sense of good feeling in that you have help helped other people, and you also let go of your attachment to material things like money, and so you don't have to uh, rely on these things to make you happy. You would rather go and meditate and rely on meditation to make you happy. Because it's a i s a permanent type of happiness. If you rely on material things to make you happy, you have to keep buying, buying all the time. And no matter how much you buy, you will still not satisfy your craving. Your craving will still come up. You still want more and more. So that's the wrong way to go to find happiness. So the best way, if you don't know what to do with your money, is to give it away. And keep it enough for yourself. Save it for whatever you need, and then go and meditate. If you want to become a monk, you can give it all up. Like the Buddha, when he became a monk, he gave up all his possessions because t h r e could be a burden to you to your mind. You have to worry. You have to look after them. Have to manage. But once you give it away, then you have nothing to worry about. So that's the the purpose of charity of making merit. Yeah. But people misunderstand. They think that making merit will give you a better life in the future, will make you richer, which is also true. But that's not the purpose. That's just the side byproduct of giving to charity. Yeah. It's like putting money in the bank in the future world. So when you reborn in the future world, you can withdraw the money that you saved today. But you don't want to come back and reborn. But in case you didn't make it, then when you come back, you still have some money waiting for you. But <laughs> that that that's not the main purpose. The main purpose is to uh, let go of your attachment, your dependence on money, so that you can. Have the time to go and depend on your meditation practice instead. Okay. Uh, I'll give some people at home the the opportunity to ask questions. But if you have some other questions later on, you can ask. At at at home, s o m e t น i n g q u า s t i o n from Jane. ้อ e s t i o ้า n e If you live in a neighborhood and you hear a car a l การนั่งสมาธิแบบใช้ทีุ่ดหูถือเป็นการหนีปัญหาหรือเปล่าครับควรปุดหูต่อไปหรือถอดออกมาสู้ความรำคาญให้ได้ดีครับอ๋อถ้าถ้าไม่อุดหูได้แล้วอยู่ได้ก็ดีเหมือนกันเราเมื่อกี้ฝนตกเนี่ยเราก็ไม่ได้อุดหูแล้วก็ปล่อยให้มันตกไปถ้ามันไม่มารบกวนใจเราเราก็ไม่ต้องอุดหูแต่ถ้าเรายังจิตใจไม่เข้มแข็ง พออะไรได้ยินอะไรนิดอะไรหน่อยก็นำคาญแล้วก็อุดหูดีกว่าถ้าไม่อุดหูเนี่ยก็ต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันที่เราไปก็เพื่อจะไปห น, นีเสียงที่มันสิ่งที่มารบกวนใจเราเพราะใจเรายังไม่มั่นคงใจเรายังไม่หนักแน่นพอได้ยินเสียงอะไรที่ไม่ถูกใจหน่อยก็ไม่สบายใจขึ้นแต่ถ้าเราใจหนักแน่นใจเราวางเฉยได้ ใครจะดา่าใครจะอะไรก็เฉยได้ก็ไม่ต้องอุดขู่ให้เสียเวลาอย่งนั้นก็แล้วแต่เรามันไม่ได้เป็นการหนีปัญหามันเป็นการลดปัญหาลดลดเหตุที่จะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะใจเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะรับกับสิ่งต่างๆได้เราจึงต้องไปปลีกวิเว่ ก, กันเพื่อไปสร้างกําลังใจขึ้นมา พอเรามีสมาธิมีส ต, ติแล้วต่อมาเราออกมาเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวใครจดา่าใครจะชมนี่จะรู้สึกเฉยเฉยใครจะพูดใครจะทําอะไรเราจะไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้เราเดือดร้อนใช่ไหมพอเห็นใครก็พูดเขาทำอะไรที่เราไม่ชอบหน่อยเราก็ไม่สบายใจยนะงั้นแล้วแต่คนปฏิบัตินะถ้าคิดว่าอยู่กับเสียงดังๆได้แล้วไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องอุดทูดไม่ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขา านั่งสมาธิตองสีแยกไฟแดงได้ก็ไปนั่งเราเลยลองดูข้อที่สองเวลาดูลมเวลาดูลมควรจดจ่อยอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวหรือตามดูทั้งจมูกอกทอ้องอย่างไหนดีกว่ากันครับทั้งทั้งสองแบบแล้วสงบเหมือนกันความจริงมันต้องอยู่จุดเดียวมันจะสงบกว่ามันจะรวมได้ถ้ามันตามนี่จิตต้องทางาน จิตมันยังต้องตามลมมาอยู่ไม่ควรตามให้คนจิตควรจะอยู่ที่เดียวให้ลมมันเข้ามันออกตรงจุดที่เรารู้อยู่จุดเดียวแล้วจิตมันก็จะรวมเป็นหนึ่งได้ถ้ามันตามมันจะไม่รวมเป็นหนึ่งคำถามจากคุณจตุคมจิตที่มาเกิดดวงนี้มันข้ามชาติข้ามภพแล้วเวลาจิตออกจากล่าออกได้กี่ทางบ้างครับก อ, อมันเข้ามาห้าทางไง ทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายหรอกจิตมันจิตมันส่งวิญญาณมามาเชื่อมกับร่างกายเอาวิญญาณมาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วมันก็รับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่แล้วก็มันก็ใช้ความคิดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆพอเวลาจิตกับกายแยากออกจากกันเวลาเรานั่งสมาธินี่เราก็ดึงวิญญาณออกจากร่างกายแล้วดึงกลับไปที่ใจ เวลาเราพุโทโธพุทธโทเนี่ยเรากำลังดึงวิญญาณทางตาหูจมูกนิ้งกายให้กลับเข้าไปพอใจสงบร่างกายกับใจก็เหมือนแยกกันชั่วข่าวพอเราออกจากสมาธิมาเราก็กลับมาเชื่อมมาเวลานั่งสมาธิจิตสงบนี่บางทีไม่ได้ยินเสียงไม่รับรู้เรื่องอะไรต่างตตัวที่จิตส่งมาเรียกว่าวิญญาณมีห้าตัวห้าทางทางตาเรียกว่าโสตวิญญาณ จักขวิญญาณอ่างหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณมีชื่อต่างกันไปห้าทางด้วยกันเวลาร่างกายตายไปวิญญาณทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถเชื่อมกับร่างกายได้ก็แยกออกจากกันใจกับร่างกายอยู่สองที่ร่างกายอยู่ในโลกโลกนี้ที่เรียกว่าโลกกธาตุโลกดินน้ำลมไฟใจอยู่โลกทิพย์ะนะโลกทิพย์นี่อยู่คนละโลกกับเรา แต่ใช้สัญญาณใช้วิญญาณมาเชื่อมต่อกันเหมือนกับสมัยนี้เวลาเราส่งจรวดขึ้นไปส่งยานอวกาศขึ้นไปเราก็ใช้สัญญาณวิทยุควบคุมสั่งให้มันทําอะไรได้แต่พอสัญญาณวิทยุขาดก็ไม่สามารถสั่งอะไรกันได้พอวิญญาณไม่สามารถเชื่อมต่อกับร่างกายได้ก็ไม่สามารถสั่งให้มันทําอะไรได้สั่งให้มันพูดอะไรได้ แล้วไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่อยู่คนละโลกร่างกายอยู่โลกกระธาตุเพราะโลกกระธาตุก็คือโลกของดินน้ํามลมไฟเนี่ยโลกนี้ไม่มีอะไรหละมีแค่ดินน้ํามลมไฟเท่านั้นแหละร่างกายเรานี่ก็เป็นดินน้ํามลมไฟรู้รปะ่ะเดี๋ยวตายไปเดี๋ยวมันก็แยกกันไปน้ําก็ไปทางดินก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทาง <c oughs> ในโลกนี้ไม่มีอะไรมีดินน้ํามลมไฟอันนี้ก็ดินน้ํามลมไฟ อันนี้ก็ดินน้ำลมไฟแมมน้ําเห็นไหมดินเห็นไหมลมหายใจเข้าออกไฟก็คือความร้อนนี่คือโลกที่เราอยู่กันเรียกว่าโลกกระทาส่วนใจนี่อยู่โลกทิพย์อยู่คนละโลกกันใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่แร่างกายตายไปใจก็ยังมีอยู่ที่เดิมเพียงแต่ส่งทรงวิญญาณไปหาร่างกายอันใหม่พอมีใครตั้งท้องก็ไปจองไว้เลยเข้าใจไหม เนเวลาเขาไปซื้อรถยนต์สมัยนี้บางทีต้องซื้อใบจองก่อนยังไม่ทันผลิตเลยจองไว้ก่อนนะ <c oughs> แล้วก็เริ่มผลิตที่โรงงานก็ไปรอรับเลยพอผลิตเสร็จออกมากขับขับออกมาจากโรงงานพอร่างกายนี่เก้าเดือนพอจะคารออกมาจากท้องแม่ได้ก็ออกมาแล้วนะทีนี้ใจก็สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆต่อไปจนกว่าร่างกายจะตายพอตายแล้วก็ จบก็ไปหาร่างกายอันใหม่นี้จะได้ร่างร่างมนุษย์หรือร่างร่างสัตว์ก็อยู่ที่บุญที่บาปถ้าทําบาปมันไปฆ่าสัตว์ก็ไปได้ร่างของมนุษย์ของสัตว์ก่อนไปไปฆ่ายุงก็ได้ร่างร่างร่างกายของยุงก่อนถ้าออกจากร่างกายไปแล้วเนี่ยจะไปเข้าอีกร่างนึงเลยนะคะก็แล้วแต่กันมั้ยถ้ายังยังมีบุญมีบาปอยู่บางทีก็ยังไม่ได้ร่างกายก็อยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ไป ถ้ามีบุญก็อยู่แบบสุขก็เรียกว่าเป็นเทวดาเป็นสวรรค์ไปถ้าอยู่แบบทุกข์ก็เป็นเปรตเป็นนรกไปจนกว่าจะได้ร่างกายของเดรัจฉานหรือร่างกายของมนุษย์บางทีต้องรองไงเพราะคิวมันยาวเพราะคนผลิตร่างกายนี้คนหนึ่งมันแค่ได้คนเดียวแต่คนรอคิวนี่มันอาจจะเป็นร้อยเป็นหมื่นนี้่ก็อาจจะต้องมาสอบเอนทันกันมาแข่งขันกัน ใครบุญมากกว่าใครมีบารมีมากกว่าก็ได้เกิดก่อนใครมีบุญน้อยบาปมากก็ไปเป็นเดลฉานก่อนถ้าข่ายุงข่ามดนี้ก็ไปเป็นยุงเป็นมดก่อนถามว่ามาหนูถ้าข้ า, ข า, ชาเาชียอ๋อเชโลกมันไม่มีวิญญาณไม่บาปมันไม่มีจิตเชี่ยโลกนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไปเหมือนต้นไม้ตนม้ตนไม้ใบหญ้าเราฟันต้นไม้นี่ไม่บาปหรอก ฟันหญ้าตัดหญ้านี้ถอนไม่บาปเพราะไม่มีวิญญาณจะบาปต่อเมื่อทําสิ่งสิ่งที่มีวิญญาณเพราะทำให้เขาเจ็บเขารู้ได้แต่ต้นไม้นี้เขาไม่มีวิญญาณเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บฉนั้นทับฟันเขาฆ่าเขาเขาไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไปฆายุงฆ่าอะไรนี้เขาเดือดร้อนค่าคาดพยาบาทเราชาติหน้าเขาเจอเราเขาก็จะมากัดเรามากินเราได้ แข่งจองเวรจองกันกันไ ง, าางถามจากคุณรัฐการถ้าเราไปสั่งปลาทอดที่ร้านอานหารโดยสั่งตามเมนูอย่างนี้เราจะบาปไหมคะก็ดูที่ว่าร้านนั้นเขาขายอาหารปลาปลาเป็นหรือปลาตายถ้าเป็นปลาเป็นก็ก็บาปละเพราะไปสั่งให้เขาฆ่าแต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่ขายปลาตายก็ไม่บาปถามก็ไปซื้อปลามา ปลาตายแล้วใช่ไหมหรือยังมีปลาเป็นอยู่ฐานก็ได้เนี่ยตาเขาว่าถ้าสั่งแล้วเขาต้องไปฆ่าให้เรานี่เราเราก็อย่าไปสั่งกินยังอืนก็ได้กินผักก็ได้กินไข่เจียวก็ได้กินถั่วต้มก็ได้ทําไมต้องไปกินปลาด้วยถ้าเราเป็นปลาเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมถ้าเกิดต่อไปมีสัตว์ใหญ่กว่าเราเข้ามากินเราทำยังไงต้องคิดถึงโหรเขาโหรเรานะ่ยอย่าไปหาความสุขแค่ปลายลิ้นเลย เป็นปลาสดๆอร่อยแค่ปลายลิ้นเท่านั้นเองเอาเกินเข้าไปก็หมดแล้วเป็นปลาไม่สดเกินเข้าไปมันก็หมดนะให้กินเพื่ออิ่มก็พออย่าไปกินเพื่อให้มันอร่อยเลยบาปกรรมมันไม่คุ้มค่านะตายแล้วต้องไปเกิดเป็นปลาเราจะเอาไหมต่อไปไปฆ่าปลาต่อไปเรากลับไปเกิดเป็นปลาให้เข้าข้างนะให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะได้ไม่กล้าทําทําบาปกันครับ พนที่ศักดิ์ที่เป็น เ, เกิดเป็นกษัตริย์นะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าทําแต่กรรมดีอมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นปุตุชนอีกไหมครับนะหมายถึงกษัตริย์นี่ก็ยังเป็นบุตุชนอยู่ยอ๋อหมายถึ ง, ถงกลับเป็นคนธรรมดที่ไม่กษตร่กษัตริย์นะครับถ้าไม่ทำกรรมบาปอา๋อคนที่ยังไม่ได้ไ ด, ได้ได้ตัดสั้นี่จะยังไม่ได้เป็นอริยะบุคคลคนที่จะต้องเห็นอริยสัจสี่มีดวงตาเห็นธรรม เป็จะเป็นพระอริยาบุคคลได้ถ้าเป็นอริยาบุคคลแล้วจะไม่กลับไปเป็นปุถุชนเช่นถ้าเป็นโสดาบันแล้วนี้ไม่กลับไปเป็นปุถุชนและถ้าเป็นสกิราธามีก็ไม่กลับมาเป็นโสดามันขึ้นไปเรื่อยเหมือนการเรียนจบปริญญาตรีแล้วจะไม่ไม่ไม่ตกลงมาจะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆจากเปริญญาตรีก็เป็นญาโทจากเปริญญาโทก็เป็นญาเอกจะไม่ลงมาผผมหมายถึงว่า เป็นกะสับเนี่ยอยู่สูงสุดทางโลกนะครับยัวยงว่าเป็นบุคคลทั่วไปนี่น<ย>ี่ยังกลับมาเป็นสารได้พระพุทธเจ้ายังเคยเป็นสิงโตยังเป็นอะไรอยู่เลยเอเพราะว่าเคยยังทาบาปอยู่ไงแล้วก็ยังอยู่ในโลกที่มีเวียนว่ายตายเกิดยังมีขึ้ น, ม, นมีลงอยู่แต่ถ้าไปเป็นพระลริยบุคคลแล้วเนี่ยมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวมันไม่ลงอย่างพระโสดาบันนี่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินหเกเจ็ดชาติแต่จะไม่ไปเป็นเดาชะานิชไม่ไปเป็นอะไรแล้ว พระอริยบุคคลทุกองค์นี้จะไม่ไปเป็นไม่ไปไปอบายถ้าโสดาบันก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าสกิรดาคามีขั้นที่สองก็กลับมาเพียงชาติเดียวถ้าพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละไปเกิดเป็นพรหมแทนแต่พาาระอรหันต์ก็ไม่เกิดเลยไม่เกิดในไตรภพนี้เลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมมันไม่เกิดละตัด เพรใจไม่มีความอยากจะได้ร่างกายแล้วพอได้ร่างกายมาแล้วต้องดูแลมันต้องทุกข์กับมันเกิดแล้วก็ต้องดูต้องให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็เลยไม่เอาดีกว่าวิธีที่จะไม่เอาร่างกายก็ต้องตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอนนี้เรายังใช้กับร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่ใช่ไหมยังอยากดูป่ะยังอยากฟังป่ะอยากดูหนังไหมอยากฟังเพลงไหมอยากไปเที่ยวไหม ก็ต้องใช้ตาหูจมูมกลิ้นกายก็ยังต้องมีร่างกายอยู่แต่ถ้ามานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็จะไม่หิวและไม่อยากกับลูกเสียงกลิ่นนดก็สามารถตัดได้ตัดความอยากได้พอไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมาหาร่างกายไม่ต้องมาเข้าคิวรอรับร่างกายเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าจากการทําใจให้สงบ ยพยายามทำใจสงบมากๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดที่เรากลับมาเกิดเพราะใจเรายังไม่สงบใจเราหิวยังอยากอยู่ยังอยากดูอยากฟังอยู่ยังอยากไปเที่ยวอยู่ก็เลยยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตา ย, ยาต่อไปพวกเราต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียน นั้นพยายามนั่งสมาธิกันหบ่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องมาม า, มามีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนอ่าคำถามต่อไปคํถาถามจากคุณเจงขอวิธีแก้กลัวผีครับอ๋อถ้าเรากลัวผีก็เวลากลัวให้สวดมนต์ไป สวดอาลังสัมมาสวารคาโตสวดปฏิปันโนไปทําไมเด็กๆเราก็เคยกลัวผีได้ยินเสียงก็กกแกล้งก็เลยสวดวนไปพอสวดเดียวๆหายไปเลยเสียงก็หายไปหมดเวลากลัวผีอย่าสนใจไปหาผีดิงใจเข้าหาพุทโธธรรมโมสังโฆสวดอาลังสัมมาสวารคาโตสุปฏิปันโนสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายกลัวถ้ายังกลัวอยู่ก็อย่าหยุดสวดสวดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงผี พอเราสวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องผีพอลืมเรื่องผีมันก็หายกลัวความกลัวไม่ได้อยู่ที่ผีอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเราเราไปคิดถึงผีเองพอเราไม่คิดถึงมันผีมันก็หายไปเพราะมันไม่มีผีเขาไงเราไปคิดขึ้นมาเองสร้างมันขึ้นมาเองเนี๋ยวถ้าโยมนั่งอยู่นี้เย็นนี้มานั่งที่คนเดียวเดี๋ยวผีมาแล้วเชื่อไหมแต่ตอนนี้นั่งมันไม่มาหรอกผีมันกลัวคนไนงะกลัวคนเยอะ พออยู่คนเดียวนี้ผีมันชอบมาหาเรานะคําถามจากคุณคาโรุถ้าที่บ้านเลี้ยงน้องหมาแล้วน้องหมามีเห็บมีหมดัดเราฆ่าเห็บหมักถือว่าเราบาปไหมครับบาเพราะเห็บมันก็มีมี ม, มจิตใจอ่าต่อไปแล้วก็ต้องไปเป็นเห็บให้มันเขาข้าคําถามจากคุณสินีถ้าเราเหมั่นทําสมาธิต่อเนื่องเวลาจะตาย เราทําใจให้เหมือนตอนนั่งสมาธิจะช่วยให้ได้โสดาบันใหม่คะหรือต้องใช้ปัญญาดูดินน้ําลมไฟแตกกระจายไปเลย<อ>ดูแบบไม่อยากให้มันตายของการบ้านฝึกตายค่ะใช่ถ้าเข้าสมาธิมันก็จะไม่รับรู้ร่างกายแต่มันก็ยังยึดติดอยู่กับร่างกายอยู่ถ้าจะไม่ยึดติดอยากจะปล่อยวางร่างกายต้องไม่เข้าสมาธิต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องแยก ปล่อยมันมันจะตายให้มันตายไปถ้าเรายอมตายปล่อยให้มันตายได้เราก็จะเราก็ไม่เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได้เราก็จะเป็นโสดาบันได้คำถามจากคุณสุทีทรที่นี่นอนสมาธิได้ไหมครับได้แต่มันจะหลับจะเนยกลัว <c oughs> มันจะไม่ได้สมาธิเพราะถ้านอนมันสบายตรงไปแล้วสติมันจะอ่อนกําลัง เขาไม่มีสติแล้วก็ถือว่าหลับถ้าหลับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะการนั่งนี้เราต้องการสติเป็นหลักสติกับความสงบถ้านั่งถ้ามันหลับแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ได้สติไม่ก็จิตก็จะไม่มีกําลังหยุดเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่มีกําลังหยุดความคิดหยุดกิเลสได้แต่ถ้าเรานั่งสงบด้วยสติเวลาจิตสงบนี้สติกําลังมากเวลาออกจากสมาธิเราสามารถใช้สติหยุดความคิดได้ หยุดความโลภความโกรธความหนองได้อาจารย์ครับมีคำถามใกล้ตัวครับคือบริเวณบนเขาเนี่ยจะมีหอยทากมากหอยทากที่เดินไปเดินมาและส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเดินอย่างขาดสติเมื่อขาดสติเนี่ยเขาจะโดนเดี้ยวปลายเป็นประจำ เ, เราผู้มาฟังธรรมเนี่ยควรจะ มีสติกับการเดินดีไหมครับเพื่อจะเป็นเมดได้เมตาไหมครับเพื่อให้หอยทากตายน้อยลงใช่มันก็ควรเนี่ยมันเป็นการฝึกสติไปในตัวถ้าเป็นเป็นงูเราจะมีสติไหมถ้าเป็นงูเลื้อยอยูย่ยเยอะแยะไปเหมือนตัวทากนี่เราจะเดินอย่างมีสติเลยใช่ไหมเพราะเราไม่อยากให้มันกัดเวลาเราเหยียบเขานี่เราไม่คิดอะไรแต่เวลาเขากัดเรานี่เราไม่อยากให้เขากัดเราเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดถึงว่าโอเคเขาเพราะเขา ทีว่าเขาเป็นเหมือนงูแล้วกันเราจะได้ไม่ไปกล้าเหยียบเขามันก็จะมีสติคอยดูทุกก้าวเลยว่าทุกก้าวที่เราไปนี่วนญยาติโยมไม่ค่อยมีสติกับการเดินเดินไปก็คุยกันไปแล้วก็เหยียบนูน่เหยียบนี่ไปนี่เรียกว่าไม่มีสติคนที่ฝึกสติจริงๆเขาจะต้องดูก้าวเท้าทุกก้าวเท้าเลยก่อนที่เขาจะเหยียบนี้เขาต้องรู้ว่าข้างหน้านี้เขาจะเหยียบอะไรหรือเปล่าเนี่ยไปอยู่ที่มันมี มีสัตว์มีอะไรนี่มันก็ได้อย่างทําให้เราฝึกมีสติความระมัดระวังเนี่ยเรียกว่าการมีสติถ้าไม่ระมัดระวังนี่ก็ไม่มีสติกันอั้นพยายามหัดมีความระมัดระวังกันมันจะเป็นการสร้างสติขึ้นมาทำอะไรให้มีความระมัดระวังจดจอ่อดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าทําไปแล้วก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันไปแล้วก็ทําบางทีก็ไปทําอะไรเสียหายได้ ต้องถามจากคุณดิวี่การทําบุญหนึ่งร้อยบาทกับการทําบุญหนึ่งพันบาทได้บุญมากน้อยเท่ากันหรือไม่ครับออถ้าคนคนเดียวกันเนี่ยมันตัองต่างกันถ้าเรามีเราเรามีเงินร้ 1, อยหนึ่งกับพันหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำร้อยเราก็ได้ความสุขระระดับร้อยถ้าเราทํำพันเราก็ได้ความสุขระดับพัน ม, มันต้องมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหม ถ้าบริจาก500กับบริจาก50บาทเนี่ยจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่า500นี่มันถึงใจกว่าใช่มมันอิ่มกว่ามีภาคสุขมากกว่าที่เรื่องของคนคนเดียวนะมันมันมีหลายหลายมิติต้ตองมองถ้าเรื่องของคนคนเดียวเนะี่ยยิ่งทำมากยิ่งได้บุญมากทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของสองคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยดูตัวเงินไม่ได้แนละ้วเพราะว่ามีฐานะต่างกันคนหนึ่งจนคนหนึ่งรวย นี่ต้องดูดูเขาเรียกสัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่สมมติว่าเราเป็นคนจนเรามีเงินอยู่พันเดียวเราทำร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งมันก็เป็นเท่าไหร่ร้อยละสิบใช่ไหมของสมบัติที่เรามีอยู่เราเสียสละไปร้อยละ10ิบเราทำบุญร้อยหนึ่งแต่ถ้าอีกคนหนึ่งมีแสนหนึ่งถ้าเขาทำร้อยหนึ่งเหมือนกับเราเขาจะได้บุญน้อยกับคนที่ทำคนที่มีพันเดียว ความรู้สึกของเขาต่างมันไม่เหมือนกันคนที่เสียร้อยหนึ่งรู้สึกจะเสียมากกว่าคนที่เสียคนที่มีเงินแสนเสียร้อยหนึ่งจะรู้สึกว่าเสียน้อยถ้าอยากจะมีความสุขเท่ากันคนที่มีเงินแสนนี้ต้องทำเท่าไหร่พันหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถึงจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนที่มีพันหนึ่งแล้วทําทำร้อยหนึ่งเข้าใจไหมนี่คือสัดส่วนต้องมองสัดส่วน ถ้าเป็นคนต่างกันต้องดูสัดส่วนของของเงินที่เรามีอยู่เงินเท่าที่เรามีอยู่เน้นเวลาคนมาบวชนี่ยทําบุญเท่ากันหมดเพราะสละหมดเท่ากันได้ความสุขเท่ากันคนที่มาบวชนี่คนมีร้อยล้านก็สละร้อยล้านไปคนที่มีร้อยบาทก็สละร้อยบาทไปก็ได้ความสุขเท่ า, ากัา น, ไ, นก ไ, ได้ดไดอะไรไปมาหมานะเออ เนื้อไม่มาก็อยู่ที่บ้านติดตามสดได้ดอ่เอาว่ามาก็อยากมีคุณลุงเาเนี่ยเรเรื่องหอยทาะนะครับแล้วทาก เ, เ, เราเราเราเจ็ น, นาได้เขาไม่โดนเยเราก็เลยโยนเขาได้ทากทางแต่ว่าเขาเป็นกะแ่กหินไก็อยาก็อย่าไปโยนก่อ ค, คิดถึงถ้าจะช่วยเขาก็หยิบเขาแล้วไปวางไว้สิเอ่อใช่ไหมเราอยากจะช่วยก็ปลอดภยัยเราเราไปโยนให้เขาตายทาไมนะ่งั้นก็อย่าไปช่วยเขาไม่ดีกว่า ถ้าเราไปทำให้เขาตายก็บาปเหมือนกันถ้าอยากจะช่วยเขาก็หยิบเขาแล้วไปวางไว้ที่มันนุ่มอย่างนี้คิดถึงเวลาคนเขาหยิบตัวแล้วเราทุ่มทุ่มลงไปบนพื้นมันดีไหมทําทําให้เขาตายแต่ถ้าเกิดว่ า, าไม่ได้เจตน า, เ, า, า, าเขาให้บาปใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเขาถ้ามีสติก็จะดีคือถ้าถ้าถ้าถ้ามีเจตนาดีอยากจะช่วยเขา แต่ช่วยแล้วทาให้เขาตายเนี่ยมันก็ไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาเรามีเจตนาจะช่วยเขาแต่เราทําแล้วมันพลาดอีแต่ที่เดินเดินเหยียบกันกึกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บาปไม่บาปไม่มีสติแต่ไม่มีความเสียหายแต่ถ้าเรามีสติก็ก็เหมือนกับว่าไม่ตากับเขาใช่ไหมครับแต่มันก็อาจจะกลับมาหาเรา เราอาจจะไปเจคนไม่มีสติขับรถชนเราก็ได้แต่แม้เขาก็ไม่บาปเขาก็ไม่ตั้งใจจะฆ่าเราถ้ามาชนเราดโดนเดยอะมากเออะมากก็คิดว่าแล้วก็เหมือนทา่ากะแล้วก็ขับรถก็เหมือนตัวทา่าเนี่ยรถเราก็เผลอเผอคนเมาเหล้าขับมาชนนั่นก็มีคำ ถ, ถามจากคุณนกพดนการทําให้สติมีกําลังแก่ก้าต้องฝึกกับเวทนาใช่ไหมครับ อ, อ๋อยังหรอกต้องตอนต้นก็ต้องฝึกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก่อนให้มันมีอย่างต่อเนื่องทั้งวันนีถ้าถ้าเรายังไม่มีสติกําลังพอไปสู้กับเวทนาไม่ได้แต่ถ้าเรามีพุทโธมีกําลังพอแล้วเวลาเจอเวทนาเราก็รัวพุทโธไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ไปสนใจกับเวทนาเดี๋ยวจิตก็สงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเวทนา แต่ถ้าเรายังพุโทโธไม่ได้เงนี้พอเจอทุกขเวทนาแป๊บก็ใจก็สั่นละใจก็สู้ไม่ไหวละใจก็ถอยละยันต้องฝึกพุโทโธก่อนให้มีกําลังก่อนถึงจะค่อยมาสู้กับทุกขเวทนาต่อไปเดี๋ยเข้ามาหน่อยก็ได้ครับจะได้ด้านคนมาจะได้ได้ เ, เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะกําลังคุยกันอยู่เดี๋ยวให้คุณมันเสร็จเสร็จไปดีกว่าจะได้อ่ คุณโมนิกา้าถ้าเป็นคนไม่ชอบคนเยอะๆไม่ไปแย่งขอทําบุญรอคนซาตาก่อนบางทีจะทําบุญเป็นคนสุดท้ายก็มีอย่างนี้เราจะจะทําให้เราได้บุญช้าหรือเปล่าคะเวลาทําอะไรกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือจะช้าเหลือแบบนี้ตลอดคะ่ะก็ถ้าเราทําช้ามันก็ได้ช้าและบางทีเราอาจจะตายไปก่อนเราก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้ งั้นบางทีเรื่องของทำบุญนี้ท่านสอนว่าถ้าอยากจะทำให้รีบทำเลยอย่าไปมีเงื่อนไขว่าอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราเดินเดินไปลื่นหกวล้มหัวฟาดคืน้ฟนฟาดขินตายไปทันทีทันใดก็ได้ดังั้นมีโอกาสมีเวลาและมีความอยากจะทำให้รีบทำไปเลย ดาาพระอาจารย์การปฏิบัติสมาธิแบบสะสมไปเรื่อยๆคือทําวละนิดวละหน่อยกับการปรีกวิเวกออกปฏิบัติอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วคือได้สมาธิเหมือนกันไหมครับอ๋อปีกวิเวกจะได้มากกว่าจะได้หลุดพ้นถ้าทําสะสมไปนี่จะมันไม่มั น, ม, นมันจะได้น้อยมันไม่พอที่จะทําให้หลุดพ้นได้คําถามจากคุณพับส ก, กร ระวังคิตกับจิตว่างเหมือนกันไหมครับระวังคดจิตก็คือจิตที่สงบไงจิตสงบจิตก็ว่างจะว่างเหมือนกันก็ได้คำถามจากคุณดิวลีส่วนตัวเป็นคนโมโหเร็วมากครับแต่ทุกๆครั้งที่โมโหก็นึกขึ้นได้ในใจว่าโมโหอีกแล้ว แล้วมันถึงจะค่อยๆดับไปถ้าอาจารย์มีหนทางแก้ความโมโหนี้ได้อย่างหาวอนไหนคมครับมีเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโมโหวความโมโหก็เกิดจากความอยากนี่แหละอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็โมโหถ้าไม่อยากโมโหก็อย่าไปอยาก ไ, ได้ก็แบบเนี่ยไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเด็กมะนาเข้าผัดมาให้ก็ต้องโมโหเลยนะ แต่แเราบอกว่าทำใจว่าอา้าวูสั่งอะไรมาแล้วมันเอาอะไรมาให้ก็กินได้ทั้งนั้นก็จะไม่โมโหอืมฉันอยากไปอยากอยากแล้วพอมันมันไม่ได้มันก็จะโกรธจะโมโหแต่ถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่โมโหหมดแล้วเหรออ่าคุ h a v ับหมอโอเค English, yes, but not very often. We have uh, one of the uh, lay person. She, she she takes question through the internet, hmm. and then when she has enough question, she s will come up and and read the question. Hmm. Usually oh. about once a month. Okay. So um, okay, well, her name is Anna. She lives in the same place where you live. So you can maybe ask her when she has enough questions to come and ask yes. okay. tomorrow. Tomorrow. Anna, she's coming up tomorrow, she's coming up tomorrow with with the so question. Good is that? Yeah, yeah we yeah. can do that. Okay. okay, but you can still ask. You know, it's. And when when you ask this question, then we have a uh, we have another person who will sort of uh, cut off the clip and separate the English from the Thai. Uh, yeah. Like yesterday, she will put take take the English into an, uh, another clip, and it will be posted eventually in my YouTube channel called Dharma in English. Mm. That's where that's where all the the the talk in English is is put in. So you can go into the YouTube channel called Dharma in English. Um, so, so yesterday you said uh, about well, Samadhi and um, Abhi. Uh, so, uh, Samadhi, my understanding is that uh, it's like uh, when an emotion comes up, you just ignore it. It's just like keeping that. No, that's that's Ubeka. Ubeka is the quality that you. Obtained from entering to jhana to samadhi. Once you have this, then you then you can then you can use it. You can nurture it and use it to to to cope with things that you you face. Yeah. When you face things, you just it, you just stop reacting. Withdraw. Not withdraw. Just be aware, mm -hmm. acknowledge. Just know, but don't react. But right now you don't know how to do that because you have the defilements, and the d e f i l e m e n t will always want to react, either positively or negatively. Yeah. But once you have jhana, then the mind will enter into a neutral phase, which it doesn't react. It just remain aloof, remain beware, aware. And once you know how to be aware and not react, then you can use this. Quality in your life. Mm -hmm. So that's the quality that is trying to be developed. Right, t r o u h samadhi, t r o u s a m a i t o u jhana, t o the development of mindfulness. Okay. m mm -hmm. um, And uh, when Sydney, is it more like sometimes it's sort of a little bit uh, vague or lofty, and I wonder if I should be like more doing stuff, like more active. a y e you sometimes feel sometimes it's kind of like a craving thing as well. Like I sort of want to go into more. Kind of When you when you meditate and you feel dreamlike, uh, mm, that, be, yeah. that means your mindfulness mindfulness is not strong enough. Mm. So you start to go into a trance rather yeah, than yeah, yeah. yeah. So it means you need, you need to develop more mindfulness before you come and sit down. So, uh, so you can be alert, mm -hmm. be fully aware of what you're doing. Okay. If you feel drowsy, maybe you should get up and walk. Uh, you have to do some fasting to help eliminate eliminate this grouchiness. Oh, yeah, uh, so okay. Um, Alright. l And the uh, other question would so with walking meditation, uh, is should it uh be uh more like what w h a t should I f o c s on? Walking meditation is sort of uh, like a. Yeah. Uh, An alternate way of meditating, because you cannot sit all the time. Mm. After you sit for so so long, you feel tired. You your body start aching, then you want to relieve this ache. So, but you still want to continue practice. So you get up and walk instead. And while you walk, you try to maintain mindfulness. Um, uh, like of f Yeah, of the feet o f the mantra, whichever way you, want, whichever one you want. Or... No, don't focus on anything. Just on one object. Okay, just as it comes. To, to prevent you from thinking. So. you okay, o so t nothing about like any cure, like, coming and going. Oh, that is the later stage. That's vipassana. So. Okay. Right now, you are on the samadhi level, mm -hmm. so you don't want to to contemplate on the rising and existing of things. You want to fix your mind on one object, so that it become still and enter into jhana. Once you have jhana, when you come out, then you can contemplate on the rising and ceasing of things, to teach your mind to let go, not to become attached to things, because they come and go. If you are attached to them, when they go, you feel sad. So I, I don't need to worry about that. N not not now, but now try to stop thinking. โอเคมีอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมมีไมอ่าเอเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอาสักสองสามข้อเราจะได้จบเอาค่ะกเป็นค ถ, ถามจากคุณตุกตาไมา้ถ้าเราไม่ค่อยได้ใส่บาทเลยนานกว่าจะได้ใส่ครั้งหนึ่งแต่บรยจากเงินเป็นประจำแบบนี้เราได้บุญเหมือนกันไหมคะเหมือนกันอ่ะบุญกเกิดจากการเสียสละสมบัติเข้าของเงินทองของเราจะเป็นข้าวก็ได้เป็นเงินก็ได้เป็นเสื้อผ้าก็ได้ แต่ต้องดูว่าคนที่รับเขาขาดแคลนอะไรด้วยถึงจะดีเขาขาดข้าวแล้วไปให้เสื้อผ้าของเอ้มันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าเขาขาดอาหารงั้นเวลาเราทำบุญช่วยเหลือคนเราก็ต้องดูว่าคนเขาเดือดร้อนอะไรเราก็ควรจะช่วยเหลือเข้าอย่างนั้นถ้าเขาขาดเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าขาดยาก็ซื้อยาให้เขา มันจะได้ประโยชน์คนรับเขาจะได้ประโยชน์แต่บุญเราได้เราซื้อเสื้อผ้าให้เขาแต่เขาเขามีเยอะแยะเขารับไปแรับก็ต้องไปให้คนอื่นต่อเท่า น, นั้นเองแต่เราก็ได้บุญเหมือนกันแต่คนรับจะไม่ได้ประโยชน์จากการให้ของเราหมดหรนะือยังจริ ง, รงๆเกือบหมดแล้วครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ โปรแกรมใหม่ครับแอปใหม่ครับมันอัปเดตแล้วทําให้การทํางานยากขึ้นก็เลยยังยังไม่คล่องตัวยังไม่คล่องตัวไม่เป็นไรอ่าบางทีคำถามมาไม่หมดอ่า อ, อะไรเงี้ยครับก็ขอท่านผู้ฟังขอความเข้าใจว่าตอนนี้มีการอัปเกรดแอปใหม่ก็เลยอาจจะไม่สะดวกในการตอบคําถามของท่านเพราะบางทีหาคําถามไม่เจอบ้งางอ่าอย่างตอนนี้ก็ขอเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามีญายมอยากเข้ามาถวายข้าวของ แล้วเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกนะดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิย์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอน